อ่ะท่านผู้อ่านทั้งหลาย 24 กันยายน 2523 เมื่อ ไปหาคุณแม่คุณแม่ก็ถามว่าลูกทําไมจึงมาเยอะเยอะก็เลย เป็นอันว่าคุยกัน 10 นาทีที่พี่หารร้อยเมตร เมื่อคืนนี้หนูนอนไปหลับสนิทสบายใจแต่ว่า รูปร่างหน้าตาใหญ่โตมากนุ่มผ้าอยากรั้งแล้วก็ถือ คนลุงเค้ายังไงคนลุงก็ตอบว่าลุงไม่ใช่คนตุ ผิวเนื้อเขาขาวหน้าตาใหญ่โตมากรูปร่าง นึกจะนุ่งผ้า พยายามปกติลุงก็แต่งตัวไม่คนธรรมดาพยายามที่จะ แล้วจุลัยจึงบอกคุณป้าน้อยบอกว่าแล้วคุณลุงเอ้อคุณหนูก็ถามว่าคุณลุงมาทําไมคุณลุงก็ตอบว่าในฐานะที่หนูเป็นคน 2 แล <c oughs> คนในวัดนี่มีทั้งคนมาพักและคนในวัดทั้งแล ลุง 2 คนจะอยู่ยามใหม่หรือท่านลุงองค์แรกก็บอกว่าลุงเป็นหัวหน้ายามท่านต่อไปว่าลุงอยู่ใกล้ๆที่หลวงปู่ en หนูก็ถามว่า de ลุงชื่ออะไรลุงคนเค้าขาวรูปร่างยิ้มยิ้มก็ตอบว่าสมัยเป็นมนุษย์เค้าเรียกลุงว่าอะไรดีเค้าเรียกลุงว่าเป็น พระหนุก็ถามว่าลุงคนนั้นตอบยิ้มๆเขา จะเป็นประเทศไหนความว่ามาลุงพูดจบคันได้ถามอีกลุงถาม ปิยาวก็ต้องเรียก ได้ลุงหนึ่งชื่ออภิยะยาวีมาถึงก็นึก <c oughs> <c oughs> ท่านพูดแล้วท่านก็ลางกลับแล้วจุลัยก็ถามคุณป้าน้อย <c oughs> จริงนั้นป้า lớก smok haven't been also known as his father had no such own Always with a son. walker her dad even was asked that she was coming to see what the host's soft meaning. bachelor or he said she wasn't want to talk about anything Without telling about of muitos he just sent up high enough for some reason for him, if he had to leave me ask me, and you หลังจากเอางี้ก็แล้วกันคุณป้าปัญหาเมื่อวันๆนี้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2522 มันยังไม่หมดหนูก็ยังมีข้อข้องใจ ท่านสร้างทำไม? สร้างทำไมปลป้าน้อยก็ตอบ beaucoup mieux Alexi de Nizek, and to think in fact that he had to create two endless crisis steps, are the Netherlands end of the cercanos, that means that you were ready. It was like even close to him. Pete comes and asks the next step of the mind charge here. Your next step is the collision at first. Away from the second step we asked to collect. Say, what do you want to do? But you are Además of แต่มาตอนหลังท่านจึงทราบว่าหลังนี้ <c oughs> แต่ถ้าว่าหนูก็ยังสงสัยว่ามันหลบหลังเนี่ยคน เพราะท่านปรารภของหลวงปู่ เงินกำนัลของที่ไม่ค่าแรงงานท่านมีความจําเป็นต้องหามให้ทันเวลาจ่ายเดือนละและของต่างๆทั้งหมดอาหารการบริโภคก็ตามเป็น ik heb een paar jaar geleden de rij. Ik heb een paar jaar geleden in de rij. Ik heb een een paar de rij. Ik heb een paar jaar geleden in de rij. Ik de rij. Ik heb een paar jaar geleden in de rij. Ik heb een paar jaar geleden in de rij. Ik กว่าๆอาจจะเกิน 2 ล้านบาทก็อยากจะทราบว่าพอตอบหลานสาวว่าทั้งนี้ว่าก็แล้วหลวงปู่ท่านบอกว่าใครให้เท่าไหร่ท่านก็พอถ้า และเงินที่ท่านถวายมาเป็นว่าพอจุลัยก็ถามต่อไปว่าทราบมีรูปท่าน บอกกับท่านสุวรรณวีระผลขอให้หล่อ ทั้งทั้งทั้งเพราะว่ายังไม่มีใครร่วมเป็นเจ้าของจุลัยยุธชนประคุณป้าน้อยบรรคุณป้าเจ้าค้าที่นั้นไปบรรดกนอนกันดีกว่าสงป้าหลานก็ชวน เป็นกระจกเหมาเงาเหมือนกันทั้งข้างนอกข้างในแล แลo ราสวย หนูได้ฟังได้เพียงว่าหลวงปู่กว่าหลวงพ่อปาน เป็นคู่สวดให้จัดไงก็ช่วยแต่ท่านถือว่าเป็นเจ้าภาพถ้าไม่มีใครช่วยอะไร จงอย่าให้เจอของเงินได้บุญ 1 เป็นได้บุญ เป็นวิหารทานและก็ 4 เอาไปพระหรือนักธรรมและบาลีและต่อมา เงินในวันนั้นจะเป็นวันสิ้นปีก่อนเวลา 2 ยามถ้าถึงเวลา 2 ยามนาฬิกา 18:00 น. น, น, น, น, น, นเพ็งถือ ก่อนหน้าจากวันนั้นก็คิดไว้ก่อนว่าปีหน้าเราเราจะสร้างโซนสักหลังหนึ่งมันก็ราคาก็แพงกว่าเงินที่เรามีอยู่ เมื่ออลมกรรมฐานเสร็จท่านก็พาเข้าไปอยู่ป่าช้าให้ฝึกสมาธิจิตในป่าช้าและขณะที่อยู่ในป่าชานี้อยู่เงียบสงัดจูงกิจการจริง <c oughs> 4 จุดแต่ละจุดที่อยู่ก็เป็นกระท่อมที่เขาเคยเก็บศพแต่ je weet uh ik ben een paar keer opgegaan, ik ben een paar keer opgegaan, ik ben een paar keer opgegaan, ik ben een een een ตระงความไว้อาศัย ก็เลยต้องภาวนาอาศัยการปนาติดต่อ ก็เป็นการบังเอิญคล้ายๆกับคุณไม่อยากไม่อยากจะถูกน้ําแต่ก็จําเป็นต้องวักน้ําใส่ตัวเอาน้ํามาราดก็เป็นการเกรงถูกบังคับถ้าไม่เอา หรือจะต้องเอาน้ําราดตัวเรื่อยๆไปณที่สุดเหงื่อใครที่ติด แต่บางครั้งในเมื่อสว่างแล้วจิตใจมีความชุ่มชื้นเต็มใจภาวนาเองเรียกว่าเต็มใจบ้างจําใจบ้างจําเป็นบ้างในที่สุดเพียงแค่วันที่ 3 ผ่านไปเข้าวัน 4 ไอ้ เรื่องความว่าหลวงพ่อปานท่านมีคุณกำปู่เหลือหลายในเฉพาะเรื่อง 2 วันก็เวลานั้นหลวง ใครอยากจะได้หลักสูตรวิชา 3 ได้ปัญญาก็ตามต้องค้นคว้า ท่านเลี้ยงน้ำตาลเลี้ยงน้ำร้อนกับพระที่ทำงานท่านก็คุยเรื่องสวรรค์คุยเรื่อง ท่านก็ไม่บอกว่าท่านช่วยแก้อดทนมีความ ถ้ารู้ก็รู้ไม่ค่อยจริงแค่นิมิตแวบไปแวบมาเป็นครูญาณการอย่างชั้นดาวดึงส์ที่ตามที่ จุไลก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็เป็นอาจารย์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของ หลานหลานถึงคุณหลานสาวคุณจุไลก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อปานตายแล้ว อย่าใช้บ้างก็เล็กน้อยตามตามความจําเป็นเขาทําบุญมาเท่าไหร่ อาจจะทําไม่ได้อย่าจะถามว่าแต่สมัยต้น และเมื่อทําเพื่อรพพ่านและลูกศิษย์ตัวเพราะว่าสาเหตุนี้จึงทํามันได้ขนาดนี้หนูจุลัยก็บอกว่าคนป้าเจ้าคะเวลา อ่าเดี๋ยวคุณแม่อาจจะมีธุระหนูจะไปถามเดี๋ยวหนูจะกลับเดี๋ยวหนูจะมาคุณป้าน้อย เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเมื่อ จง